และอาบน้ําในเวลากลางวันเพื่อล้างบาปที่ทําตั้งแต่ตอนเช้าจนเที่ยงอาบน้ําในเวลายเย็นเพื่อล้างบาปอันอาจจะเกิดขึ้นในเวลาหลังเที่ยงน้ําที่จะอาบนั้นต้องเป็นน้ําในแม่น้าําคงคาโดยถือว่าได้ไหลามาจากแดนสวรรค์ผ่านเสียนพระศิวะผู้เป็นเจ้ามาแล้วไม่เพียงแต่ล้างบาปอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถบำบัดโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยและเมื่ออาบน้ำในแม่น้ำคงคาทุกวันตายแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ได้สถิตอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุนี้จึงเป็นของธรรมดาที่จะมองเห็นโยคยีและผู้บำเพ็ญพรติกายต่างๆทั้งสองฝั่งแม่น้ำคงคาตอนเหนือแถบภูเขาหิมาลัยทรมานตนอยู่ด้วยวิธีแปลก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 พระอานุนได้เห็นสังลระพรามผู้ถือการลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นอจินวัตรดังนั้นแล้วมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์พูดเจริญสังขระพรามเวลานี้อยู่ในวัยชรามีอัธยาสัยงามพอสนทนาได้อยู่แต่อาศัยความเชื่อถือเก่าๆจึงยังมองไม่เห็นทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ขอพระผู้มีพระภาคจงอาศัยพระมหากรุณาสเสด็จไปโปรดสังขรารวพรามสักครั้งหนึ่งเถิดพระพุทธองค์ทรงรับอาราธนาของพระอานุนด้วยอาการดุษณีวันรุ่งขึ้นสเสด็จไปสู่นิเวศของพราหมณ์นั้นเหมือนสเสด็จเยี่ยมอย่างธรรมดาเมื่อสำมโมธนียกถาล่วงไปแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์ เวลานี้ท่านยังอาบน้ำดํำกล้าวในแม่น้ำคงคาวันละสามครั้งอยู่หรือยังทำอยู่พระเจ้าค่าพรามทูลด้วยอาการนอบน้อมท่านเห็นประโยชน์อย่างไรนะพรามจึงต้องอาบน้ำดำกล้าวเฉพาะแต่ในแม่น้ำคงคาเท่านั้นที่อื่นจะอาบได้หรือไม่ที่แตถาคตถามนี้ถามเพื่อต้องการความรู้ความเห็นเท่านั้น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 ซึ่งเคยถือปฏิบัติกันมาและข้าพเจ้าเชื่อว่าสามารถชำระบาปได้จริงๆพรามทูลด้วยความมั่นใจพรามพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ด้วยพระสุรเสียงที่อ่อนโยนนิ่มนวลและอย่างกันเองขอให้ท่านนึกว่าเราสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันเถิดตถาคตจะขอถามท่านว่า บาปมุนทินนั้นอยู่ที่กายหรืออยู่ที่ใจอยู่ที่ใจสิพระโคดมเมื่อบาปมุนทินอยู่ที่ใจการลงอาบน้ำชำระกายน้ำนั้นจะสามารถซึมซาบลงไปล้างใจด้วยหรือแต่พระโคดมต้องไม่ลืมว่าน้านั้นไม่ใช่น้ำธรรมดามันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสามารถล้างบาปมุนทินภายในได้ ท่านคิดว่าความเชื่อสามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงซึ่งมีอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วให้เป็นอีกอย่างหนึ่งตามที่เราเชื่อหรือเป็นไปไม่ได้เลยพระโคดมความเชื่อมิอาจบิดเบือนความจริงได้ความจริงย่อมทรงตัวของมันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเป็นอันท่านยอมรับว่าความเชื่อไม่อาจจะไปบิดเบือนความจริงได้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 ความเชื่อของพราหมณ์เป็นอันมากที่เชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถล้างบาปได้ก็ไม่อาจทำให้แม่น้ำนั้นล้างบาปได้จริงจึงชวนกันเข้าใจผิดเหมือนบุรุษผู้หลงทางในป่านั้นดูก่นพราหมณ์เปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งมีหม้อทองแดงอยู่ใบหนึ่งมันเปื้อนเปลอดด้วยสิ่งปฏิกูลทั้งภายในและภายนอก เขาพยายามชำระล้างด้วยน้ำจำนวนมากแต่ล้างเฉพาะภายนอกเท่านั้นหาได้ล้างภายในไม่ท่านคิดว่าสิ่งปฏิกูลภายในจะพลอยหมดไปด้วยหรือเป็นไปไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจรเรนบรุษผู้นั้นย่อมเหนื่อยแรงเปล่าไม่อาจทำให้ภายในหม้อสะอาดได้สิ่งสกปรกเคยเกะกรังอยู่อย่างไรก็คงอยู่อย่างนั้น ดูกนพรามเรากล่าวกายทุจริตวจีทุจริตมนูทุจริตว่าเป็นสิ่งทำให้จิตใจสกปรกและสามารถชำระล้างได้ด้วยธรรมคือความสุจริตไม่ใช่ด้วยการอาบน้ำธรรมดาน้ำดื่มของบุคคลผู้มีกายสุจริตวจีสุจริตและมนูสุจริตย่อมเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปในตัวแล้ว นี่แน่พราหมณ์มาเถิดมาอาบน้ำในธรรมวินัยของเรานี้ซึ่งลึกซึ้งสะอาดไม่คุณมัวมีศีลเป็นข่าลงบันดิตสันเสริญเป็นที่ที่ผู้รู้นิยมอาบกันอาบแล้วข้ามฝั่งได้โดยที่ตัวไม่เปียกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้พราหมณ์กล่าวด้วยความเบิกบานใจว่าแจมแจ้งจริงพระโคดม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 พระอานนท์พุทธอนุชาเป็นผู้มีน้ำใจปราถนาความสุขความสำเร็จแก่ผู้อื่นในฐานะที่พอช่วยเหลือได้ดังได้กล่าวมาแล้วนี้คุณธรรมอีกอย่างหนึ่งของท่านซึ่งน่าประทับใจยิ่งนักคือมีความเคารพยำเกรงต่อพระเถระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสรศิฐซึ่งพระาศาสดาทรงยกย่องแล้วมีภาษารีบุตรและ พระมหากัตปปเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากัตรินั้นพระอา น, นุ์ไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อท่านคราวหนึ่งพระมหากษัตริ จะเป็นอุปัชายะให้อุปสมบทแก่กุลบุตรผู้หนึ่งจึงสง่งทูตไปนิมนต์พระอานน์เพื่อสวดอนุสาวรนาคือสวดประกาศเพื่อขอความยินยอมจากสง์ในการสวดนี้จะต้องระบุชื่อผู้เป็นอุปชายะด้วยพระอานน์ไม่รับท่านอ้างว่าท่านไม่สามารถเอ่ยชื่อพระมหากัสสปะต่อหน้าท่านได้พระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนี้แล้ว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 พระมาหากษปัะปฏิเสธถึงสองครั้งเมื่อพระอานุนอ้อนวอนเป็นครั้งที่สาท่านจึงไปไปอย่างขัดพระอานุ์ไม่ได้โดยปกติท่านเป็นผู้อยู่ป่าไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะเมื่อถึงสำนักภิกษุณีและให้โอวาดพอสมควรแล้วท่านก็ลากลับต่อมาท่านได้ทราบว่าภิกษุณีรูปหนึ่งติเตียนท่านว่า พระมหากษัตปปไม่น่าจะกล่าวทรรมต่อหน้าเวเทหมุนีคือนักปราดอย่างเช่นพระ อ, อ น, นุ์เลยการกระทำเช่นนั้นเหมือนพ่อค้าขายเข็มนำเข็มมาขายแกนายช่างผู้ทำเข็มช่างหน้าหัวเราะพระมหากษัปปะริยกล่าวกับพระ อ, อ น, นุ์ว่า อ, อ น, นุ์เธอหรือเรากันแน่ที่ควรจะเป็นพ่อค้าขายเข็มกพระาศาสดาเคยยกย่องเธอบ้างหรือว่า มีวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่ประจําวันเสมอด้วยพระองค์แต่เรานี่แหละพระศาสดายกย่องในถรำกลางสง์เสมอว่ามีธรรมเสมอด้วยพระองค์เช่นเดียวกับที่ยกย่องพระสารีบุตรว่าสามารถแสดงธรรมได้เสมอด้วยพระองค์ ท่านผู้เจริญพระอ น, นณุณกล่าวด้วยเสียงเรียบปกติอย่าคิดอะไรเลยสตรีส่วนมากเป็นคนโง่เขลามักขาดเหตุผลพูดพร้อยๆไปอย่างนั้นเองการที่พระมหากรสปะกล่าวกับพระอ น, นณุณอย่างนั้นไม่ใช่เพราะท่านน้อยใจหรือเสียใจในการที่ภิกษุณีกล่าวดูหมิ่นท่านแต่ท่านกล่าวด้วยคิดว่าคําพูดของท่าน คงจะถึงภิกษุณีและเธอจะได้สํานึกตนแล้วกลับความเห็นเสียการที่ภิกษุณีกล่าวเช่นนั้นเป็นการไม่สมควรจะเกิดโทษและทุกข์แก่เธอเองด้วยจิตคิดจะอนุเคราะห์อย่างนี้พระมหากรสปะจึงกล่าวอย่างนั้นโดยความเป็นจริงแล้วพระมหากรสปะมีความสนิทสนมและก ร, ะรุณาพระอานน์ยิ่งนักกล่าวกันว่าแม้พระอานน์ จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชาราแกสาหงอกแล้วพระมหากรสปะก็เรียกท่านว่าเด็กน้อยอยู่เสมอและพระอานนุนเล่าก็ประพฤตินตนน่ารักเสียจริง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 ผู้เป็นผู้หูสูบทรงธรรมเขาจึงทูลถามว่าก็ใครเล่าเป็นผู้หูสูบทรงธรรมพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พราหมณ์ไปถามภิกษุทั้งหลายเมื่อพราหมณ์ไปถามภิกษุทั้งหลายก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้เป็นผู้หูสูบทรงธรรมดังกล่าวนั้นคือพระอาหนุนพุทธอนุชาพราหมณ์จึงได้นำจีวรไปถวายพระอาหนุนเป็นการบูชาพระธรรม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 ชื่อว่าเป็นผู้บูชาพระธรรมโดยความหมายอย่างสูงแม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพนับถือธรรมครั้งหนึ่งเมื่อตราสรู้ใหม่ๆพระพุทธองค์ประทับอยู่ณนะริมฝั่งแม่น้ำเนรันชราใต้ต้นไทรอันคนเลี้ยงแพะชอบมาพักอาศัยเสมอซึ่งมีชื่อว่าอชปานิคโคลดทรงปริวิตกว่าผู้ไม่มีที่พึ่ง อยู่ลำบากผู้ไม่มีที่เคารพที่เกรงใจก็อยู่ลำบากก็พระองค์จะถือใครเป็นที่เคารพยำเกรงได้ทรงตรวจ ด, ดูบุคคลทั้งหลายที่พระองค์จะพึงเคารพยำเกรงแต่ไม่ทรงเห็นใครที่เสมอด้วยพระองค์หรือยิ่งกว่าพระองค์ในเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์และวิมุตติยานทัศนะ์แต่ยังทรงตระหนักอยู่ว่าผู้ไม่มีที่พึ่งที่เคารพ ยำเกรงย่อมอยู่ลำบากพระองค์ควรจะมีใครหรืออะไรหนอเป็นที่ขอรพในที่สุดก็ทรงมองเห็นพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั่นแหลว่าเป็นธรรมที่เป็นนีดลึกซึง้งควรแก่การขอรพพระพุทธองค์จึงทรงอธิษฐานพระไท่คือเอาธรรมเป็นที่ขอรพแห่งพระองค์พระธรรมจึงเป็นสิ่งสูงสุดแม้พระพุทธเจ้าเองยังต้องทรงขอรพ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 แล้วนำมาตีแผ่ชี้แจงแสดงเปิดเผยพระสงค์เป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมและรักษาพระธรรมทรงทำไว้และแสดงต่อๆกันมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเหมือนผู้รับช่วงดวงประทีพสําหรับส่งทางแกม่มวลมนุษย์ผู้สัญจรอยู่ในป่าแห่งชีวิตนี้ครั้งหนึ่งพระอนุ์นั่งพักอยู่ณที่พักกลางวัน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 อุโบโสถของพระพุทธเจ้าองค์คอดกรจะเหมือนกับของพระาศาสดาของเราหรือไม่เมื่อท่านสงสัยดังนี้จึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทูลถามข้อความนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากาหนดอุโบสถของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ไม่เหมือนกันส่วนโอวาทปฏิโมคือพระโอวาทที่เป็นหลักของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหมือนกันทั้งสิ้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีทรงกระทำอุโบสถ7ปีต่อหนึ่งครั้งทั้งนี้เพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งมีเพียงพอสาหรับหนึ่งปี ส่วนพระสิขีและพระเวสภูสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทำอุโบสถหกปีต่อหนึ่งครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะและโคนาขมนะทรงกระทำปีละครั้งพระกสปะทศพลทรงกระทำทุกๆหกเดือนส่วนพระองค์เองทรงกระทำทุกทุกสิบห้าวัน การเวลาที่ทำอุโบสถแตกต่างกันอยู่อย่างนี้แต่พระโอวาสนั้นเหมือนกันทุกประการดังนี้ตอนแรกทรงแสดงหลักทั่วทั่วไปว่าตีติขาขันติคือความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ที่มายั่วเยาให้โลภให้โกรธและให้หลงอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นจัดเป็นตบะธรรมที่ยอดยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นบรมธรรมคือจุดหมายปลายทางแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ผู้บวชแล้วแต่ยังเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่หาชื่อว่าสมณะคือผู้สงบไม่ตอนที่สองทรงวางแนวการสอนพระพุทธศาสนาว่าศาสนาของพระองค์สันเริญการไม่ทำความชั่วและสรรเริญการทาความดี ยกย่องการทําจิตให้ผ่องใสสะอาดเพราะฉะนั้นในการสอนทำพึงพุ่งเข้าหาจุดทั้ง3จุดนี้พูดให้เขาเห็นโทษของความชั่วให้เห็นคุณของความดีและการทําใจให้ผ่องแผ้วประการหลังเป็นจุดมุ่งหมายตอนที่สทรงกําหนดคุณสมบัติของผู้เผยแผ่ว่าต้องไม่ว่าร้ายใครคือเผยแผ่าศาสนาโดยไม่ต้องรุกรานใคร ต้องไม่เบียดเบียนเข็นฆ่าผู้ที่ไม่เชื่อถือไม่คมเหงใครต้องสำรวมระวังในสิขาบทปาติโม่สำรวมตนด้วยดีทำตนให้เป็นตัวอย่างทางสงบต้องไม่เห็นแกป่ปากแก่ท้องพยายามรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งสมณะไว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 ผู้รัจนาคำพีจึงกล่าวไว้โดยบุคลาทิศฐานว่าเมื่อพระศากยมุนีเสวยข้าวมัทุปายาตของนางสุชาดาในตอนเช้าแห่งวันเพ็ญเดือนวิสาขะแล้วพระองค์ได้นำถาดทองคำที่ใส่ข้าวมัทุปายาตนั้นไปลอยเสียในแม่น้ำเนรัญชาราถาดนั้นลอยทวนกระแสไปหน่อยหนึ่งแล้วจมลง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 เฉพาะเวลาที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเท่านั้นเรื่องนี้ถอดเป็นธรรมทิฐานได้ความดังนี้ธาตุทองคําเปรียบด้วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ว่าลอยทวนกระแสน้ํานั้นหมายถึงลอยทวนกระแส จ, จิตของคนธรรมดาสภาพจิตของคนมักไหลเลื่อนลงสู่ที่ต่ําคืออารมณ์อันน่าใคร่น่าพอใจแต่ธรรมของพระพุทธองค์ เน้นหนักไปในทางให้ฝึกฝนจิตเพื่อละความใคร่ความพอใจความเมาต่างๆจึงเรียกว่าทวนกระแสดังที่พระองค์ทรงปรารภเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆและทรงดำริจะโปรดเวนยศาสตว์ว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประนีตวิชัยวิสัยแห่งตัก คือคิดเอาไม่ได้หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดาแต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้อันหนึ่งเล่าสัตว์ทั้งหลายส่วนมากยินดีในอาไยคือกามคุณสัตว์ผู้เห็นป่านนั้นยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทและพระนิพพานซึ่งมีสภาพบอกคืนกิเลส ท, ทั้งมวลทำตัณหาให้สิ้นดับทุกข์ เราจะพึงแสดงธรรมหรือไม่หนอถ้าแสดงไปแล้วคุณอื่นรู้ตามไม่ได้เราก็จะพึงลำบากเปล่าโอ้อย่าเลยอย่าประกาศธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเลยธรรมนี้อันบุคคลผู้เพียบแปรไปด้วยราคะโทสะจะรู้ได้โดยง่ายมิได้เลยบุคคลที่ยังยินดีพอใจให้กิเลสย้อมจิต วความมืดคือกิเลตหุ้มห่อแล้วจะไม่สามารถเห็นได้ซึ่งธรรมที่ทวนกระแสจิตอันละเอียดประนีตลึกซึง้งเห็นได้ยากนี้ทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงน้อมพระทัยไปเพื่อเป็นผู้อยู่สบายขนขวายน้อยไม่ปรารถนาจะแสดงธรรม